ผลที่ปรากฏในชีวิตจริงหรือผลในทางปฏิบัติของผู้บรรลุนิพพานก็ข อ, ขอความเป็นเจ้าแห่งจิตเป็นนายของความคิดในวัศการสูตรอังกุตระนิกายจากตกรนิบาทเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวลุวนารามในเขต พ, พระนครราชครึกวัศการพรามมหาอัมมาทแห่งแคว้นมคธเข้าไปเฝ้าครั้นแล้ว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 คือข้อ2ความว่าบุคคลผู้เป็นมหาบุรุษมีปัญญายิ่งใหญ่นั้นประสงค์จะตริกตรึกความคิดใดก็ตริกตรึกความคิดนั้นไม่ประสงค์จะตริกตรึกความคิดใดก็ไม่ตริกตรึกความคิดนั้นประสงค์จะดำริข้อดาริใดก็ดาริข้อดารินั้นไม่ประสงค์จะดำริข้อดำริใดก็ไม่ดาริข้อดารินั้น